3. าาระวักหมวดว่าด้วยภาระหนึ่งพาระสูตรว่าด้วยภาระ 22. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระและการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังภาระเป็นอย่างไร คือควรกล่าวได้ว่าภาระนั้นได้แก่อุปทานขันากองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5ประการอุปทานอันาหประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปทานขันาอุปทานขันคือรูป 2. เวทนุปทานขันอุปทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปทานขัน อุปทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปธนันา์อุปทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปธนันา์อุปทานขันคือวิญญาณนี้เรียกว่าภาระผู้แบกภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าผู้แบกภาระนั้นได้แก่บุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้ มีโคดอย่างนี้นี้เรียกว่าผู้แบกภาระการถือภาระเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ 1. กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภาวะตัณหาความทยานอยากในภพ สามวิภาวตัญหาความทยานอยากในวิภพนี้เรียกว่าการถือภาระการวางภาระเป็นอย่างไรคือความดับตัญหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสะอาดความสลัคืนความพ้นความไม่อะไรในตันหานี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดา ได้ตรัสเบ ย, ยากรณภพาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าขันห้าคือภาระบุคคลคือผู้แบกภาระการถือภาระเป็นทุกข์ในโลกการวางภาระเป็นสุขในโลกบุคคลวางภาระหนักได้แล้วไม่ถือภาระอื่นไว้ถอนตันหาพร้อมทั้งรากสิ้นความอยากดับสนิทแล้ว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 เธอทั้งหลายจงฟังทำที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เวทนาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สัญญาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สังขารเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้วิญญาณเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้การกำหนดรู้เป็นอย่างไร คือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าการกำหนดรู้ปริญญาสูตรที่สองจบ 3. อภิชาณสูตรว่าด้วยผู้รู้ยิ่ง 24. เรื่องที่เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละรูปเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละเวทนาเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งสัญญา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 ละรูปได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกขบุคคลเมื่อรู้ยิ่งเวทนาสัญญาสังขารบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกําหนัดละวิญญาณได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์อภิชาณสูตรที่สจบสี่ ฉันทราค่าสูตรว่าด้วยการละฉันทราคะยีิหเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปด้วยการละอย่างนี้เธอทั้งหลายจะละรูปนั้นได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว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 เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชันตราค่าสูตรที่สี่จบ 5. อัศา ธ, าธาสูตรว่าด้วยคุณของขัน 26. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณอะไรหนอเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณพิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดต่อไปดังนี้ว่าสภาพที่สุกสมนัตอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูป ทำที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสภาพที่สุขสมนัตอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของเวทนาทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ทำเป็นที่ละฉันทราคาในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสภาพที่สุกสมนัดอาศัยสัญญาเกิดขึ้นสภาพสุกสมนัดอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของสังขารสภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของสังขารทำที่กำจัดฉันทราคะ ทำเป็นที่ละของฉันธราคะในสังขารนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของวิญญาณสภาพที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของวิญญาณทำเป็นที่กําจัดฉันธราคะาทำเป็นที่ละฉันธราคะในวิญญาณ นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณภิกษุทั้งหลายปราบใดที่เรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปทานครขันข้าประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ปราบนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมาโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการ น, นี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีก อสาทสูตรที่หจบ6ทุติยอสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันสูตร์ที่สองี่เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของรูปได้พบคุณของรูปแล้ว คุณของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของรูปได้พบ pues nope. โทษของรูปแล้วโทษของรูปม MM cliffs, ีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่าน uh ั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากรูปได้พบเครื่องสลัดออกจากรูปแล้วเครื่องสลัดออกจากรูปมีประมาณเท่าใด เราเห็นเครื่องสลัดออกจากรูปประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของเวทนาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของสัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของสังขารเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของวิญญาณได้พบคุณของวิญญาณแล้วคุณของวิญญาณมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญา เราได้เที่ยวแสวงหาโทษของวิญญาณได้พบโทษของวิญญาณแล้วโทษของวิญญาณมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากวิญญาณได้พบเครื่องสลัดออกจากวิญญาณแล้วโทษของวิญญาณมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลาย ตราบใดเรายัางไม่รู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปทานอัคา์หประการ น, นี้ตามความเป็นจริงอันหนึ่งสัญญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีก ทุติยอาสาทสูตรที่หจบเจ็ดตติยอาสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสา ว, วัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าคุณของรูปจะไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายจะไม่พึงติดใจในรูป แต่เพราะคุณของรูปม si ีอยู exist, ่ฉะนั nee, ้นสัตว si ์ทั้งหลายจึงต <But S 2> ิดใจในรูปถ้าโทษของรูปจักไม่มีแล้วสัตว์ทั crashes, ้งหลายไม่พึงเบื่อนายในรูปแต่เพราะโทษของรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื Take ่อนายในรูปถ้าเครื่องสลัดออกจากรูปจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายไม่พึงสลัดออกจากรูปแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากรูปมีอยู่ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากรูปถ้าคุณของเวทนาจากไม่มีแล้วถ้าคุณของสัญญาจากไม่มีแล้วถ้าคุณของสังขารจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในสังขารแต่เพราะคุณของสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในสังขารถ้าโทษของสังขารจากไม่มีแล้ว สัตว์ทั้งหลายจะไม่พึงเบื่อหน่ายในสังขารแต่เพราะโทษของสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในสังขารถ้าเครื่องสลัดออกจากสังขารจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงสลัดออกจากสังขารแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากสังขารถ้าคุณของวิญญาณจากไม่มีแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงติดใจในวิญญาณแต่เพราะคุณของวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในวิญญาณถ้าโทษของวิญญาณจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายจะไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่เพราะโทษของวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณถ้าเครื่องสลัดออกจากวิญญาณจักไม่มีแล้ว สัตว์ทั้งหลายจะไม่พึงสลัดออกจากวิญญาณแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากวิญญาณภิกษุทั้งหลายตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปทานกัขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้น สัตว์ทั้งหลายจะออกไปหลุดไปพ้นไปมีใจปราศจากแดนอยู่ไม่ได้เลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาาโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ชัดโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออก จากอุปทานอันาห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปหลุดไปพ้นไปมีใจปราศจากแดนอยู่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทุติยอส า, า, าทสูตรที่เจ็จบ พินันธนสูตรว่าด้วยความเพลิดเพลินขันยี่สเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่เพลิดเพลินรูปชื่อว่าเพลิดเพลินทุกผู้ที่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าพ้นจากทุกไม่ได้ผู้ที่เพลิดเพลินเวทนาผู้ที่เพลิดเพลินสัญญาผู้ที่เพลิดเพลินสังขาร ผู้ที่เพลิดเพลินวิญญาณชื่อว่าเพลิดเพลินทุกขผู้ที่เพลิดเพลินทุกเกราวว่าพ้นจากทุกข์ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ที่ไม่เพลิดเพลินรูปชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุก์ผู้ที่ไม่เพลิดเพลินทุกเกราวว่าพ้นจากทุกขได้ผู้ที่ไม่เพลิดเพลินเวทนาผู้ที่ไม่เพลิดเพลินสัญญา ผู้ที่ไม่เพลิดเพลินสังขารผู้ที่ไม่เพลิดเพลินวิญญาณชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ที่ไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าพ้นจากทุกได้อภินันทนาสูตรที่แปดจบ9อุปัทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันสามสิบ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกสุททั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปนี้เป็นความเกิดแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งเวทนา แห่งสัญญาแห่งสังขานความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งวิญญาณนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุททั้งหลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรค เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะอุปาทสูตรที่ก้า สิบ 10. อาคา้าโมลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งทุกขามสเอดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทุกขและมูลเหตุแห่งทุกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง ทุกเป็นอย่างไรคือทุก์คือรูปทุกคือเวทนาทุกคือสัญญาทุกคือสังขารทุกคือวิญญาณนี้เรียกว่าทุกข์มูลเหตุแห่งทุกเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทาให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกาหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ 1. กรรมตัญหาสองภวตัญหาสามวิภวตัญหานี้เรียกว่ามูลเหตุแห่งทุกข์อะคะมูลลสูตรที่10จบ 11. ประพังค่สูตรว่าด้วยสิ่งที่แตกสลาย 32. ส, ส, สอง เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งที่แตกสลายและสิ่งที่ไม่แตกสลายเธอทั้งหลายจงฟังอะไรเล่าเป็นสิ่งที่แตกสลายและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายคือรูปจัดเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนั้นจัดเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายเวทนาจัดเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนานั้นจัดเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายสัญญาจัดเป็นสิ่งที่แตกสลายสังขารจัดเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับ ความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสังขารเหล่านั้นจัดเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายวิญญาณจัดเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณนั้นจัดเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายประพังคูสูตรที่สิอจบภารวักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่ง ภารสูตร 2. ปริญญาสูตร 3. อภิชาณสูตร 4. ี่ฉันทราค้สูตร 5. อัศธาสูตร6ทุติยาอัสธาสูตร 7. ตติยาอัศธาสูตร 8. อภินันทนาสูตร 9. อุปาธสูตร 10. อัคคมูลสูตรสิอประพังคุสูตร